นัเด <ừ, S 2> <ừ, S 1> <m> ็นกศึาก็ถว่าคือเรูกเัองทว่าในพรโตสินาูมองตนนับ่า่างละหนคนหลักขององค์ระเพราลูกมองท่านตัวนั้นเองท่านยกรหัสขึนแล้วก็ฝัดลูกคูแสงั้นูกมองดูด้วยความตกใจว่าเอ๊ะทำไมพระองค์จงทำได้ ไอ้ควาตกใจเติมมาเรียสามคือดี้ววาสาวสาวนี่เองลูกก็เลยอยากคุณบาลมีหลวงพ่อว่าลักษณะอย่างนี้หมายความว่าอะไรเส้าคะหลวงพ่อเขาตอบว่าไม่รู้เหมือนกันเจ้าข้าหลวงพ่อเก่งเนาะตอบไม่ยากตอบไม่ยากอ้โไม่ยากไม่มีมัหาหรอฉัเคยโดนมาแล้วขึ้นไปจุรามณีครั้งแรกเป็นยังไงท่านพ่อครับเห็นแล้วก็เป็นเจ้าเป็นพระปูนขาว ที่แรกนะทัางแรกสดเลยนะเป็นคุณขาวเป็นผานอนถ้าก่าวกราบพระเป็นผู้ด้วยไปถามพราเนผู้ได้เล้วครับดอกปูนก็พูดได้นี่นี่นี่นี่ขนาดหวัดเลยมันก็พูดได้เลยนะนี่ก็เลยพอพูดพาดบ้างก็นับว่าคนที่ฝันแหวนได้ก็คืย่างนี้เลยเยมากว่าบริบบทิมาก เลยดูแลก็รักษาความในต่อไปให้มีรุตาเท้าประเด็นว่าพ่อจะไปรับอย่างโง่ฮะใช่ใช่รู้ว่าโลกก็อยู่ที่บ้านเลขที่4ข68นะไหนเรื่องพอบัก็เป็นเองอ่ะรูอว่าอย่างนี้ ที่พ่ายก็ลูกเจ้ามันเป็นเพระเหตุใลูกเจ้าไปอยู่เท่าไรก็มีอันจะต้องย้ไปหมดคือว่าลูกทำกิจการคือทำเสื้อโหลไม่ทราบมันเกี่ยวกับเรื่องจะไปจะางหรือทำหรือเป็นอย่างไรแต่เรไม่สงสัยอะไรนะที่สงสัยคือว่าขอบารมีหลวงพ่อโปรดหลวให้วามวางช่วยด้วยไม่สงสัยไม่สงสัยไม่สงสัยแต่ว่าสงสัยลูกเจ้าเดนี้ไปธรรมดาแล้วเขาอยู่เดี๋ยวก็ไป กหม้กันดเยเ่มออายของถูงแล้วก็นึ่งหอวิวาประสงค์จาปวดสะในระยะสั้นวิจก็คือว่าจะต้องการป็มโนมย็นน้เกวตถุาที่ได้เก็บรอก่อนแล้วค่อยปวดกาต่อไปน็อระยนเาะว่า เวลาที่จะไปสุพรรณมีเพชเนี่ยมนจะต้องเตรียมและเตรียมตัวมีรับการอย่างใดหลวงพ่เนี่ตาไม่เถิดสืาเออเอาี้ก่อยกใ้ขอรับดูระบบที่รัฐซึ่งก็มีในนี่ยไรมีเื่อเกยอะไรกันโอ้โหมันจะง่ายเลยนะใช่ใช่ อ๋อที่วัตาคนี่ก็ดูเขาปกตินี่เขาามีอะไรบ้างที่นี่ก็ททาให้ดูแล้ใช่ไหมตามนี่ยังไม่มีอะไรมากวางจริงนะฝึกทุกวันตรงนีจะสะกกว่าเพราะว่าเพรา่าถ้าถ้าจะเบืดถ้าทำวัดเขาไม่รับรองในยากนะสั่ไเลยพระฝึกจะรับรองให้เรียกว่าถ้าไม่ได้มาโดนในอะไรที่วัดไม่ได้ผานหรอ่ใหญ่โตขนาดไหนยิ่งใหญ่มากยังม่รับใหญ่เลยครับวัด เอกว่าประเกลัวคนนะยังไม่มีทาเลยนะมากขนาดันว่าคนที่มาเราไปีสิว่าท่านไม่ีไรเลยเป็นของไมคิดต่าพระหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงหรือว่าลูกท้องปกติเวลาใครว่าท่ากทำงานแผนโยธาโดยเฉพาะอย่างที่จะได้ดูทีเพต สารายุสี่พระองค์นาท่าฟังสะอาดาสมว่าเมื่อกี้ก็มีเสษบางๆในที่บมาบ้างแตงไม่ไหวจรอย่าไรโดความไม่สบายใจว่าเอ๊ะอย่างนี้ลูกจะ้องไม่ดีหรือเปล่าไม่จะเป็นไม่จะเ็นนะไม่จะเป็นฉันต้องน้อยนี่ผมก็หลมาแล้วนี่ยก็วาใจไม่เป็นไรนะหรือหรือว่าปต้องทิ้จากเจตนาที่ทก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไร ไม่บาดจ้ะแต่้าไปแกะมากแล้วยุันะแกะควาไม่ลังให้ดีนะทหลังถ้าพอ่อถ้าผมเสร็จก็จะไปแกะให้เานะราเวลาับยทหาที่บาอาจจะหล้นมานก็ท่านปรานให้ได้ค่ะไม่ได้หลงก็จะไปติดให้หล่ น, นเม็ดก็ไปจิดทัเม็ดรบอกของอันใดที่หล่นลงมาแล้วแปลอันว่าท่าเสียปลาดหร่ยังไม่พ้นเขตนะ จะขอยังนั่งเข้าจนนั้นนะโอ้ยเฉยว่าท่านที่ล่ะไปถามท่านก่อนให้หรือไม่ให้ถ้าท่ยถ้าท่านเฉยกยังไม่ให้เมื่ี้ก็ไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมลูกายกไม่ีสิทไหมมีท่อกไปเพื่อหรือได้ไหแต่ถ้าท่านเฉยก็ไม่นันว่าไม่ได้แสดงถ้าแบบยกทรงเลยใครไปขอจ a ยังเฉยแสดงไม่ให้ ห้ก็เอไเออไแต่ต้องมีเสียงนะหรอกวันเสีงก็คงจะโปรยโปรยกันฉันสงสัยว่าติดจะพังเลยพูดทู้ตายไครับไปนั้ม่มีโทษนะเจ้าน่ะไม่มีโทษมีแต่คุณไอ้สงสัยว่าถ้าไปเกิดเป็นเดียวดาวในางฟ้าจะสวยที่สุดในเกิดได้มทั้งคู่อย่าลืมนะว่าทำความละอาอนี้สงสั จะเรยียนว่ามันเป็นอานิสงส์ถ้าเกิดเป็นคนก็สวยมาก<อ>ถ้าเป็นผู้หญิงนะ<อ><อ>ก็ควรนางง า, านจักรบาลได้เลยแต่เขาเอาไม่เอาเลยโอ้เข้ามาเ <c ười> กาิดไดไงผมก็จะไปลองมเด็จถุยหน่อยเนาะผมพวกทำความสะอาดเนี่ยทำให้อสวยๆแล้วน่าเป็นช า, ายแหะเป็นชายก็สวย สวยายก็สวยใช่โอ้อย่างนี้ก็ตอบไปนี่งานว่าเขาทนแยกกันกว่าเนี่ยักกว่าที่ติีทางนะไม่แปลกท่เวลาลาเสร็จงานโอ้จะรัดนัดแต่เราคไม่ถึงหน้านาทีกับานเคยบอกว่ามีอานิสงส์ดงของเขาดูตัวอย่างน้องสาวาอังลุกเห็นไหมเอออะไรนะคนจะลืมไปนานแล้วแลลูกหลานมาใหม่เขเล่นได้ก็พถ้าหกไม่ลืมก็เป็นการโกหกพระ สาวาพาเวมณีสีขาบังสมาธิยาิ้โหสี่ขาไม่ใช่หลาี่ยสงขาเรื่องไทาหลวงพ่อคเรือว่าน้องสาวอนุรุตเติมเป็นท่านเป็นโรกเรือนอยู่ไหมเวลาหลวงพจิตรประเด็ดไปว่าหันหลไปก็ไม่กล้าออกจะห้องหายขเป็นสาวเลยนะเขาเรือนด้วยตามมาวากลัไปหมดแล้วก็รไปหาน้องสาวถามว่าทําไรยังไม่มาออกไปไหว้พระเจ้าไหว้พระอะไรหัน ถ้าบอเธอาย่เขาไปโรคเรื้อนถ้าไม่รู้ก็เลยว่าเอาแล้กันเข้าไปยาะไดูาบัเวลานั้นพาะมาอยู่ไปตัดปาดเช็ดถูพื้นที่ตัวชนะต้องมันใช้นังสั่นนะเขถก็ทตามนั้นเวลาพมาก็เข้าห้องไปเพียงแค่นั้นแต่ตายไปแล้วเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดในดาวดึงถ้าเทวดาต้งแยงกันไงใช่แค่ทำแค่นี้เอง เจรู้ว่ามันเปนอนิสงเจอยงนี่ตาหาว่าลูกหานต้องวาไปนะคุติหลวงพ่อนีอะไรก็ไปเชื่อทำตามวาหาอี่ว่ายนิสงสเนน่งเลยนะ้อาเลยด้วยจ้ะตาพระธรสการุเดชคุณหลวงพ่อยาหาว่าลูกคนเลยนะพัจิ้ ว่าไปลูกมีสามีแล้วกันเรียบร้อยจดทะเบียนหย่ากันอ๋อไม่เกิดสองจดหนจดทะเบียนหย่าให้จดทะเบียนมาาว่แต่งให้จดทะเบียนหย่าเขาหย่ากันหย่าเนี่ยจดเียหมือนกันมันพร้อมันลากรับว่าเขาหย่าแล้วลูกก็มาเจอชายคนหนึ่ง่กามรักใคร่กันและแม้จะน้อยก็มีเรื่องนึ่งที่กันลงเลดลูกเป็นภรรยาน้อยภรรยาหลวไม่ว่าอะไร แต่พอมาเข้าอยสายตรงทอง็ไรล้มลพออุ้ยมันละอายใจตัวมาติดนะนะพอทจากซอพอลพ่อเป็นการใหญ่แม่วาไม่รู้จะทำยังไงมีลูกเป็นกรแล้วไอ้ใจหนึ่งก็กลัวจะตกนรกไอ้ใจหนึงก็กลัวจะมาเดไฟมาผลเด็พันก็ขอความสวัดิ์สัจจะใจงนจัดล้พ่อแนะนำให้ลูกสบายใจหน่อยเถิดจะทำยังไงดีโยคูสองบาทผมมีท่าคู่หรือ่าใช่ใช่ช่โธ ข้าวที่สอดเขายังมีได้ถ้าบคุณเราไันมีไม่ได้บเาอย่างนี้นิพพานนะครับไปแท็กไว้ก่อนน <c oughs> ี่ในเมื่อบัญญัลิเขาไม่ว่านนะไม่มีโทษหรอกนะเพ<อ>าะเขาไม่หวงไม่เป็นไรนะโอ้อยงี้ก็ถ้าดันเป็นฏิบาร์คทางก็มีเหตุจะไปมั่มนปฏิปารคใช่ใช่<อ>ไม่มีบาปเลยเป็นเมียน้อยก็ิาได้ความจริงาบอกเป็นเมียน้อยนี่ผิดต้องเป็นเมียมากเอาม้อที่หลัจะเป็นมากเขที่สองอ่ะ เอาวัอ้ก็พก็เหน่งเมือแม่มากกวหนกไปไปหลวงพอวดใช่ต้องมาบอนด์ห R หนะแล้วเพื่นจะแอบมาเป็นน้อยนะแล้วที่แคั้นตัวบาตัวกรรมไปดแตต่อไปจะได้ทาอีก ลาเท้ารองข้อเท้าล็อกตัวฐานแห่เลยไม่ทราบว่าูกมีบากมีกรรมอะไรอะไรอะไรลูกประทังทางสอนรองข้อทุกอย่างทุกอย่างได้ถุงควาออกมาแล้วเว้นอยู่อย่างเดียวจะฝ่ายแก้ไม่ถูกทุกอย่างทุกอย่างเว้นอย่างเดียวว่ัสอบที่ต้องคิดคุจะดีหมดแต่ว่าเอาต่อไปต่อไปเว้นอย่างเดียวเึ็นอย่างนี้ ลกก็สามีของลูกกับมันเจ้าชู้ก็หยุดไม่หยอดให้กินให้บริการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมันก็หม่ยอมันก็เจ้าชู้อยู่ล่างไปลูกมันรู้จะแก้ไขยังไงก็อยากจะมาศึกษาหาเลยหลวในฐานะพ้อเป็นเป็นพ่อของลูกแล้เป็นแม่เทียวของสามีีแก้มันยากหามาให้จะท่าคนถามีก็ไม่นันเหรอใช่ รี่จะแก้หรือจะแก้ทีไปไหนไม่ไปหรอกที่อ่ะหมดเลยโอ้โหที่ดีแก้ง่ายนะใช่ใชไม่แก้สูตรเดียวก็้วคุณแกอะไร่าฮโอ้โที่ใจใจเื่อธรรมดานะให้ทานด้วย้งที่ยังทานตะันนีไหม นได้เวลรมีเรื่องมันแตกเวลามีรอนี้จะเข้าหลักหารสี่เลยใช่ใๆๆใช่ใชเครอว่าจุดนี้ก็สบายใจนะนี่มาจากไหนก็พ่อครับผมไม่พบนายมหาสตรีปสาวโสตสีคือว่าพบนายระไตรปิฎนี่ไม่หมายให้ดูนะท่านว่าไว้ยางไง เราจะต้องปฏิบัตินะต้นเกเป็ถึงจะมีโอกาสาาดาดได้ัผกผลนิพพ า, านได้กตผมไม่บอกครับยาเลยไปอย่าจะมาขอขึ้นบารมีหลวงพ่าถ้าติประทานตีสั้นๆไปนิพพานได้ง่ายๆเหมือนว่าข้าทูนย์นะมีบ้างไหมมีมมีมีมแ ม, ม่ไม่มีอะไรผัดเลยวะไม่มีอะไรครับพะไม่รู้สุดสถาเรณนเพริะจะสถากเดยากเห็นยาก แล้วต้องข้าเจ้าเลยวๆในต่างโอ้โหโคตรมันแคยาวไปนะตัวอย่างใช่ไหมคือพระเจ้าแค่แค่ทายะฟังว่าพาหยะเธอจยงอย า, านสนใจในโลกธรรมนอรันโอ้ที่สราทีุ่ดเลยนะใช่ใช่งอยากสนในนนจในโลกแค่นี้เองผนข้าแค่นี้แค่นี้ เ, เองเธเห็นเขาไปชันรายานเฮ้ครับ แล้วมีลูกหลายหลายก็ลับากเหมนันแล้เดี๋ยวเขาเิดบรรุกทีเดียวพรานจะท่าไรก็ดีดีอ่ีาไอท่จะมลำบากแครืว่าคนที่นั่งมีกี่คนไม่รวยนะจ๊ะถ้าเป็นคนที่นั่งมีคนก็่มีสักพันคนจะจะรื่ว่าในประเทศไทยมีสัห้า5ึห้าล้านคนมันไปแค่ยิบ้อยนะิบจ้อยถูกใจเือ่ แต่จี watering, ่ินน่าจะเพิ่งไปนะร้อยว่าต้าซูเซ็ตก่อนด้อยแค่นึงลมที่ก่อนหนึ่งล่กไปเลยเออแปลกนะแม้ก็าต้องบคนคนคนนนั้นบอกว่าต้องจยอมเชื่อโดยสนิทใจว่าวิภาโนมยิตินี้เนี่ยบคพุนเขาหลงเดียวที่สามารถไปรู้ไปเห็นว่าใน้คนไหนตายแล้วคืนลงลงไปยังไงแล้วแปลรู้ ก็น่าจะก็ขาดู่ะใช่สิมาโถกัน่าะหลักเงินสวนไม่รู้ตัวไหนตายไปสูงไปต่ำยังไงแต่ที่าทิปมโนวิจิตรยศยิ่งยังใหญ่ยังเล็กเล็กอ๋อทุกแจที่ัตางๆพวนี้ไม่ใหญ่เล็กเล็กยังใหญ่ยาตาชป็นที่คงทางที่สองสาล้านะตอเล็กเล็กนวัดวงก็เล็กเลไปีให้ก็เล็กเล็ก็ไม่ขอไสนใจเลยมันเราได้แล้ว ไอ้พวกมันต้องไปอยู่เจ้านี่ยไม่ใช่อยู่กบเราเราได้มาแล้วเราฝุกแล้วเจ้าเนี่มันเป็นพวกเราจะเสือกทุกแค่ทำไมงงไปต้องแบบหลวงพ่อยนะหรือว่าได้ของแล้วมาแล้วกนี่มากราบเท้ามาเด่นตะปูหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ว่าเมื่อตอนเมื่อตอนผมตื่นนอนแล้วผมก็ฝันฝันแน่นดีไม่ใครเืีนก็ใครเขียนไม่ไม่หรือใครเขเียนสวัยคนไห้อาจารย์โทนะเมื่อตอนตื่นนอนผมฝันฝันว่าอย่างนี้ เราขอเพียรไม่ไกันเอาไปดูการงานการตั้งวิสิทธิ์มาผมเห็นน้ำมนต์ของหลวงพ่อไหลออกมาจากฐันที่บ้านของผมน้ำมนต์ของหลวงพ่อกลายเป็นดอกมะลิเต็มไปหมดแล้วมีความขอมชื่นใจเป็นอย่างยิ่งผมรู้สึกปีติและปลื้มใจทั้งที่ผมตื่นไหว คุณจะพิงนะคุณต้องไปตื่นกอกนคับผมอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าในลักษณะแบบนี้พระผมหมายความว่าอะไร็รับจะาจะเป็นดวงดวงคนเป็นดงคนอย่างยิ่งให้ตื่นใหม่ๆจิตเย็นนทขันอุปจารสมาธิดอบมะลิเท่าไหร่ทีว่าทำมะลิเนี่แหละใช่ถ้าเป็นตัวทำเแี่ยแทบเป็นดอกมะลิแก้ว ถ้าเราทาอย่างหยากก็เป็นรอกไม้ธรรมดาถ้าถือว่าจิตเข้าถึงธรรมก็ถือเป็นบงคนอย่าล้ใช้ได้แล้วที่ตอที่เห็นีจริงนั้นก็อะไรจิตเป็นอุปจ า, สารสมาธิใช่ใช่ถ้าไม่เป็นอุปจ า, สารสมาธิรหญ่ก็ไม่ได้โ อ, อ้ยังงั้นพูดถูกแลวก็ตื่แล้วก็ฝันว่าจริ ง, ง <c oughs> มันเกิดไม่เต็มที่คนนี้น่าประทับดีนะสาธุครับอ่ามีบอกว่ากราบเท้าทำมัสคารกับข้อที่ก็รับอย่างโสด รือว่าลูกเอ๋อบนหลวงอสีบพระองไว้ว่าสอบเข้างานได้จะได้ไปแก้บนสวายที่วัดท่าศูนย์ผลตามผลว่าสอบได้จริงแต่ว่าเป็นการสอบติดคำรองคือว่าต้องรอการบรรจบอีกลูกอยากจะกบเียถามว่าจะรอให้เข้างานจริงๆก่อนค่อยไปแก้บนหรือจะแก้ก่อนไปทํางานจริงจริงอันนี้ก็ไม่แน่ใจเลยถามลวพ่อช่วยตัดสินก็ไม่ได้บอกว่าหยรดองไม่ต้องลอง บอกแค่แกบอกแค่สอบได้นี่เออตเอเดี๋วเวลาได้แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวไดสอบสอบสอบขี้แหลกเลยก่อนสอบขู้แหลกไอ้เด็กก็จั่งทนะมันบดนรอบวัดเลยเอราะบเราก็เอ็ต้านได้มันจะแก่รอบวัดนี่ที่ไหนน่าจะตามเรอวันท่สองพันกว่าเน้ะ ว่าอันนี้ถือว่าต้องทตามพระยานะต้องบอกนในสอบไสอบสอบแก้ตามนี้นแล้วก็ขอต่อแล้วก็มีหลายคนอมาถามในตำนวงี้ว่าเวลาบนไะจู่ผู่ตีบ้านพูดว่าขอต่อสิเราะองค์น้รนตองั่งนังนีถ้าเปลี่ยนจะจะแก้บนจะได้ว่าถ้าจะแก้จริงๆถ้าเกิดไครที่วไมสะดวกที่จะแก้บงพ่อแทนไม่ได้อป่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรวจจับ ทำไมเขาแยกแก้ฐันนะามะแก้บนน้อยเราแยกแก้ผ่าเดินแก้เอาไว้ได้ที่จริงใจนะเ้าแก้บนนะที่จริงวลาสบุก็บอกเลยว่าลกจะแก้บนาที่ตอนจะลงฝากงลวงพอหลวงพ่อไปน็ดก็ค่าต้นเนินนิดหน่อยได้ค่าน้ำมันเท่าไหร่ใช่ ามันเครื่องเทาไรน้าถัาเท่าไรค่าคนขับเท่าไรค่าคนนั่งโดยสานแค่ไม่ไหวเท่าไรหล้าหายใจเข้าออกตลอดเท่าไรที่แตกกี่เท่าไรพอดีไปที่วัดไปที่ก็ถูก่าเยอะที่ไปที่มาแล้วไปที่วัดถูกศาสตรก็นายใจนะที่หนังอนาวพูดว่าขอแอ่ถวายอะไรไม่เป็นไรแก้ได้ที่นี่ได้ อย่างนี้ขาบรรได้เต็มที่แค่อย่ลืมนะอย่าลืมว่าบรรอะไรบ้างแล้วบรรณ์ไดจดด้วยนะมีหลายรยก็คือมันยังมีที่วัดว่าใครครับไปถามอีกไม่ใช่บรรณ์อะไบ้างไปถามว่อเหรอใม่มีเรื่อยๆอย่างนั้นมีตอนที่เริกบรก็ต้องจดไปเลยว่าจะต้อคนจะจดไว้นะตอนนี้ก็มีอยู่ลายหนึ่งตอบว่าเข้าอะไรนะ สายตี่เก <She ep. S 1> ี่ยวเขาเรีพิธีพิาษาอะไรนะอ๋อเขาบอกว่าได้บนหลวงพ่อไว้สามพนบาทว่าถ้าท่านเจ้าจะแก้ท่านแก้พวกมันจะแก้บ่อยถวายหลวงพ่อก็ปรากฏว่ารายนี้ก็ตอบได้าไดเมื่อบนได้ผลอย่างนี้ให้ยังยกทรจะบนว่างวดง่ายเลยไม่เป็นไรวนนี้ออกทิศไหน หัวนาที่ที่โกกับาที่กเวลาหนึ่งทุ่มาถามแขนฉันบอกให้รับแล้วบอได้ทุกลวันใช่ม่หมายความว่าให้ออกก่อนใช่ที่เรื่องประยุกไม่ออกได้ไงครับอ้ี่อกนีจะไม่ต้องดก็ได้ไมดดีเออเออนี่ยเขาจะเรื่องเรื่องแฝนะข้าวนี่มาถึงเรื่อง ลาาหลวงพ่อจุฬรสอย่างสูงลูกไข่ขอรบคุณจะไข่ขอนะั้นเขียนไ่หวขอลูกไข่ขอรบตัวฐานหลวงพ่อว่าในหนังสือสูงแสธรรมขอคนอตอมนุลมสมปูตุริที่อะไรมีทระวิฐานพระสมาณะระตมประเดฐานที่พระสิริองค์บนรักคาวิฐานนั้น ปรากฏมีเลขสามหนึชัด เ, นเ จ, จนเะด็อจาเรียนถามหลวงพ่อว่าหมายถึงอะไรและทวดไหนนะ <c oughs> ขอตออะไรด้วยได้ให้ทุกนวดนะอันนี้หละครับใช่ขอยืนยันไละเลยคับรม่อง น, นึงต้องออกทุกขวมดวจะเป็นรางวันไหนไม่แน่อย่างนี้ก็ต้หวายมะโกมลละให้แย่ก็จดภาพไว้ภาพทาาอะไรอะไรแล่ดับเใช่ใช่ใช่ อ่าแล้วก็มีหลายท่านที่อ่านแล้วก็ลาออกจากประธานนอตขอบไทยไทยเดืามแล้วพ่อว่าในโอกาสหน้าหน้าคณะเกิดใกล้จะหมดหลวงพ่อจะติดต่อไปอีกหรือไม่ถ้ามีคนชื่อติดต่อแล้วปอบถานต่อไปว่าถ้าจะร่วมลงทุนในการติดต่อไปมากบ้างน้อยบ้างหลวงพ่อจะรังเกียจหรือไม่ไม่เคยรังเกียจขอเรื่อกลังนไม่เคยรังเกียจเลยปุ๊บเล แหมเพราะว่าเป็นพระแหมีมขุทิุแต่ผู้ขอทายกทายิกาแต่ผู้ให้ถ้าเขาให้แล้วไม่รับก็เป็นการทำลายศรัทธาพระเจ้าสัสโทษในฐานย้ายเจดียีหนักมากต้อเอามันจำใจจริงจำใจจริงจำใจรับแล้วก็จำใจเก็บ เขาคืนไม่ได้ขเรื่เล่หปิดประตูเลยนะกับกับต้องพนันว่าถับเสิดนี้ถ้าใกล้จะหมดก็เป็นนะว่าพต่อไปมนถือว่าเกล้จะทคงนี่หมดจากวัดถ้าใกล้จะหมาต้องพิมเพราถือว่าเป็นประบัิตรงวัดคอเรื่องหลังที่ได้รู้วพามเป็ื่จริงๆมันเป็นประการของเาเลยใช่ใช่ใชถ้าเป็นยอดโค้งน้ากลัวหัวร่วงผมร่วงที่ตอนเท่ากับแมวดำ ไม่อะารเลยเนี่ยกลับไานะกลับไปอ่านนไปเท่าไรพวกฟ้าไปกินหมดเลยกลับไปอ่าน้วคนนี้เร่มเล่าสกันฟัยุนี้ีมากนะอแล้วก็คนคนที่่มันโ่ยังยังมีชีวิตอยู่ยังไยังไม่ตายชีวิตอยไม่นื่ไม่ขาดแต่ีสาไม่ใช่อะไรคือว่ายังรับบริการตรสื่อสารอากาศ แต่ทำเป็นไปได้นะคุณถ้าท่านมีเวลาก็พยายามไปเล่นสองเล่นสามก็จะสนุกมากเลยนะใช่ครับครับจะได้คู่พ่อพกอแบบเดี๋ยวไปถึงทางเล่นเล่นพี่อะไรถึงเจ้าแล้วนะอ่า้วที่งไปต่อไปนะครับก็เป็นั้นว่าพ่อนก็ไมหรังเกียอ่านี่บอกว่าจะไป่ปิดร้านค้าที่รอนเมือง ลูกจะเอาแท้สมาทานกรรมฐานของลพ่อไปเปิดโดยบอกว่าขอลักาวะบารมีรู้เประธานริษัทสองทวงเทวดาทั้งหมดพี่หลว่อไปนที่สุดขอให้มาช่วยเปิดร้านด้วยกอเปิดไเพร้อยแล้วจะตั้งมาถวายทีหลังโดยให้หลวงพ่อหลวงพ่อก่อนหลงอจะรังเกตยจหรือเปล่าหรือจะถวายก่อนหรือยังไงดีวะที่เราถวายทีหลังให้จดหรือหยุดนะคอที่ลืมดจเข้าตำราเก่าที่แล้วใ่ใช่ใ แค่ได้เขาใช่กันถือต่อโมงสูงนะต่อไปนานก็หลวงพ่อดิไม่ไม่ไม่ได้ไขข้ออะไรเลยนะเขาใช่เสมอไม่ไขข้อจะไขข้อทําไมเราที่เกียดไปอยู่แล้วบอกตรงเลยนะใช่เดี๋ยวนี้ก็มีนะพวกต่างสามพระภูมิสบายมากเลยใช้จะเป็นข้อความในการเสียเวลาตอนที่ไปขอให้หลวพ่อทําพิธี ขึ้นสถานการณ์ระบาดนกฎเดฟแรกแลวงพ่อกว่าดปริมาตที่สร้างมาที่สบายลงคนได่ยี่ห้าบาทกินไดุ้กาตเลยสื่นารเยอ้ก็ีตุลาหนึ่งนะเขแปลนะบอกว่าอ่วงพ่อว่าไอ้ตรงนี้มันไม่นัหถือไม่เชื่อยังไงเวลาผมเปิดเรียแล้วขอผลนิดหน่อยหล่อเต็มที่ก็ยังน้อยไปนะอเลยน้อยไป้ยังไม่หมดฟ้าจยะอันนี้ก็เลยขอฝากเรียกว่า คนที่มีร้านค้าร้านขายนะแน่ยตอนเช้าเราข่าวจะขอบรมีมักดแต่พอจะกดก็ให้ดีก่อผู้ายดูสักหน่อยตรงพ่อราชการมากติสลักเขาเอาไปไหว้ก็ติดสลักนะเอาลักก็รับเครับตังคัไม่เอาเลยโอ้สมัยคุณดีๆปนักเป็นแคร์บัตรดีตังน์ขึ้นฝาตังค์ยังเอาอ่ะเวลาไหนที่มีเหรนขึ้นสาตังค์เห็นไหม ของกูเดียวสองชามห้าสตังคื่อชามเดียวสามสตางท่านเวยทําหรียญเ้นสตางค์ออกมาครับในข้อนี้เป็นเรื่องทเ่ไปเส็นไล้วเสร็จร้อยนาท่านผู้ที่ไม่ดีก็เรียกเพ็สมาธิสมาธินะเรื่องน่ะวกมยหน้ามีดวงท่านฟ้าเปิดแล้วท่านจะรู้เองนะเอาแล้วาเข้าไปดันว่าเอวันที่แม่ที่ดีกว่า อเอว่าผิดไหครับควาะจิงเดือนนี้รายการจริงของเราพ่อก็จะไประยองรู้สึกพ่อเป็นประชันจันบรีเหรจันบรีใช่ท้าใหม่จันบรีที่ระย อ, อ, องก็วันที่สิบเ้าวัด